วัดโพแตงใต้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากวัดหนึ่งของจังหวัดในสมัยก่อนวัดแห่งนี้มีกิตติศัพท์ในเรื่องของผีดุขนาดพระเนรยังไม่กล้าจำภรษารายละเอียดเกี่ยวกับวัดโพแตงใต้นั้นตัวผมได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแต่เพียงว่าเป็นวัดที่เก่าแก่แต่ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใดกันแน่ และใครเป็นผู้สร้างบางคนก็สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่บางคนก็บอกเขาไม่ใช่น่าจะเป็นสมัยรัตนโกสินทร์มากกว่าเอาเป็นว่าวัดโพแตงใต้ได้สร้างมานานกันแล้วกันนะครับวัดโพแตงใต้นั้นมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่รูปหนึ่งซึ่งชาวบ้านทั่วไปให้ความเลื่อมใสและศรัทธาท่านเป็นอย่างมาก พระเกจิอาจารย์รูปนั้นคือหลวงปู่สดธรรมวโรท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดโพแตงใต้นั่นเองแต่บางคนเรียกท่านว่าหลวงปู่สด ต, ตาทิพย์เหตุผลที่เรียกท่านเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีญาณพิเศษสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างน่ามหัศจรรย์ตอนนั้นยอมรับนะครับว่างงพอสมควรเพราะไม่รู้ว่าวัดโพแตงใต้นั้นอยู่ที่ใดจะเดินทางไปถึงวัดได้อย่างไร แต่ผมก็ยังโชคดีอยู่ที่บังเอิญน้องหมวยพนักงานคอมพิวเตอร์ในบริษัทของผมนั้นเธอเป็นคนอยุธยาครับและบ้านเธอก็บังเอิญอยู่ข้างๆกับวัดโพแตงใต้พอดีเรื่องที่ว่ายากมันก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายครับการเดินทางจากกรุงเทพมาที่วัดโพแตงใต้ใช้เวลาราวชั่วโมงเดียวเมื่อมาถึงน้องหมวยก็พาผมไปหาญาดผู้ใหญ่ของเธอคนหนึ่ง ซึ่งมีศัก์เป็นลุงแท้ๆของเธอคุณลุงท่านนั้นมีชื่อว่าคุณลุงบุญช่วยสุขสาขาแม้ว่าจะมีอายุ8ปดสปีเสรศจๆแต่ทว่าร่างกายและสุขภาพของคุณลุงนั้นก็ยังดูแข็งแรงดีมีคนบอกว่าที่วัดโพแตงใต้นั้นผีดุอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับคุณลุงคุณลุงมองหน้าผมแล้วก็หัวเราะที่วัดโพแตงใต้จะบอกว่าผีดุเฉยๆมันไม่ได้หรอก ต้องบอกว่าผีดุมากๆถึงจะถูกคำตอบของคุณลุงบุญช่วยทำให้ผมรู้สึกหนาวสถานขึ้นมาทันทีคนอายุปูนนี้แล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าท่านคงไม่กุเรื่องขึ้นมาหลอกพวกเราอย่างแน่นอนแล้วคุณลุงเคยเจอกับตัวบ้างหรือเปล่าครับคุณลุงพยักหน้าช้าๆแทนคำตอบซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับผม ตามธรรมเนียมของคนต่างจังหวัดแม้ว่าจะไม่มีความรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนก็ตามแต่เมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยือนที่บ้านก็จะให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจัดหาข้าวปลาให้กินซึ่งนั่นก็ทำให้ผมประหยัดข้าวกลางวันไปได้อีกหนึ่งมือครับคุณลุงบุญช่วยท่านได้พาผมไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านแกเท่าใดนักขึ้นไปไหว้หลวงปู่สดก่อน แล้วลุงจะเล่าให้ฟังว่าผีวัดโพแตงใต้นั้นมันเฮี้ยนขนาดไหนบนสารากา ร, ปรเปียนของวัดมีรูปหล่อของหลวงปู่สดตั้งอยู่แต่หลังของรูปหล่อนั้นมีสังขารของหลวงปู่สดนอนอยู่ในโลงแก้วพอไหวรูปหล่อของหลวงปู่สดเสร็จแล้วก็ควรจะไปดูร่างของหลวงปู่ในโลงด้วยนะไม่ต้องดูก็ได้มังคับลุงผมพูดอย่างเสียว เอาเถอะน่าไปดูสักหน่อยเถอะท่านละสังขารมาก่่นหลายปีแต่เป็นเรื่องประหลาดอยู่อย่างหนึ่งที่เนื้อหนังมังสาของท่านนั้นไม่เร่าเปื่อยแถมฟันกับผมก็ยังงอกออกมาเรื่อยๆหากว่าการละสังขารของหลวงปู่สดไม่ได้ฉีดยาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวจากนั้นคุณลุงบุญช่วยก็พาผมไปที่ศาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆสาลาการเปลี่ยน นั่นนะเป็นสารของเจ้าแม่รำพึงแกเฮี้ยนมากเลยนะสมัยก่อนขนาดกลางวันแสกๆแกยังอุ้มลูกเดินออกมาหลอกคนพระเนใเนี่ยอยู่กันไปเป็นสุขตอนนั้นลุงเองก็เป็นวัยหนุ่มกำลังซาเลยทีเดียวพอรู้ว่าที่นี่ผีดุก็เลยชวนพักพวกกันออกมาลองของกลางมุ่งนอนหนาสารนี่เลยเออแล้วลุงเจออะไรบ้างหรือเปล่าครับ ก็เจอเต็มๆ เ, เลยเราเว้ยตอนนั้นเราราวตีหนึ่งได้ลุงกําลังเคลิ้มๆจะหลับก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาตรงหัวนอนก็เข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเด็กวัดมาแกล้งผีหลอกลุงตอนนั้นลุงรอจังหวะให้มันเดินเข้ามาใกล้ๆเงื้ออีดาบยาวเท่าแขนเตรียมจะฟันใน ห, หัวแบะพอเสียงเดินเข้ามาใกล้ๆลุงกับลูกพวดขึ้นไปตะลบมุ่งขึ้นและเงื้อดาบสุดมือเลย แล้วลุงก็ฟันไปทันทีเลยใช่ไหมครับก็แทบช็อกนะสิพอลุงตลบมุ้งเปิดขึ้นเนี่ยก็เจอผู้หญิงผมยาวยืนอยู่หน้าบวมชึงก็สบเราดีๆนี่เองลุงพยายามรวบรวมสติแล้วพูดเสียงดังๆว่ามึงจะลองกับกูใช่ไหมอีผีบ้าลุงเห็นมันทําท่าจะโผลเข้ามาบีบคอลุงลุงกะตัดสินใจฟันมีดไปสุดแรงเลยฟันถูกเต็มๆ เ, เลยใช่หมครับลุง ก็เหมือนเราฟันอากาศฟันลมทั่วไปนี่แหละลุงเวียงดาบซะสุดแรงเวียงจนไม่โดนอะไรกระทลาล้มไปข้างหน้าเสียงเอะอะมาทำให้เพื่อนๆนของลุงตื่นขึ้นมามาในวัดนี่หอนกันเกลียว <S <S เพื่อนก็แปลกใจเห็นลุงฟันดาบฟันอะไรก็ไม่รู้เวืดวาดลุงก็เล่าไปว่าลุงเจออะไรพอเล่าจบเท่านั้นแหละมีเพื่อนลุงคนหนึ่งทาท่าตกใจ แล้วก็เอานิ้วชี้ไปที่เมนเผาศพคนอื่นก็เลยหันมองตามเออแล้วแล้วเขาเห็นอะไรครับลุงก็เห็นอีผีตัวเดิมนั่นแหละตอนนี้มันขึ้นไปอุ้มลูกอยู่บนเมนเผาศพนุ่นตอนนั้นถอดใจกลัวไม่เอาละลุงกับเพื่อนๆกันนอนจับไขรหัวโกรนกันอยู่หลายวันพ่อแม่ต้องพามาลดน้ำมนต์ที่วัดและก็ไปขอขามาเจ้าแม่ลำพึงที่ได้ล่วงเกินและลบลูไป อาการของลุงขับเพื่อนเพื่อนถึงดีขึ้นจากนั้นน่ะ น, นะก็ไม่คิดที่จะลองดีอีกเลยคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นวัดโพ์แตงใต้ก็สงบสุขดีไม่มีเรื่องผีเรื่องสามจนกระทั่งมีศพของสาวท้องแก่คนหนึ่งเธอชื่อว่ารำพึงมาเผาที่วัดอาถรรพ์ต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดจากความผิดพลาดของสับเปรเ่อคนหนึ่งแกชื่อว่าลุงผล โอ้ยตาผลนั่นเหรอมันเพียเพ้ยนๆมันชอบทำอะไรแผลงๆอยู่เรื่อยผีสี่ตาคนตายทั้งกลมเนะ่ะใครเขาใช้ให้เผารวมกันขนาดพระเตือนแล้วแกก็ยังไม่ฟังบอกว่าจะรับผิดชอบเองพอเผาไปเท่านั้นละ่ะคืนนั้นก็เฮี้ยนขึ้นมาทันทีมีพระอยู่องค์หนึ่งแกลุกเข้าสวมตอนดึกก็ถูกผีตายทั้งกลมหลอกจนหมดสติไปเลย จากนั้นพระที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ก็เริ่มศึกออกไปเรื่อยๆจนเหลือพระอยู่แค่ไม่กี่องค์แทบจะเป็นวัดร้างเลยละ่ะอ้าวแล้วที่ลุงผลแกบอกว่าแกจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นหละครับต่ผลน่ะพอรู้เรื่องแกก็บอกว่าจะมาจับผีทวงน้ำแต่ขณะที่แกนั่งเรือมาปรากฏว่าเรือแกล่มแกเป็นคนไหวยน้ำไม่แข็ง แต่ก็ไม่มีใครพบศพแกนะบ้างก็เดา ว, ว่าแกจมน้ําตายแต่ก็มีคนบอกว่าแกโดนจระเข้ฆ่าไปกินเพราะตอนที่เรือกล่มมีคนบอกว่าเห็นจระเข้ตัวใหญ่หนุนเรือแกอยู่ผีของนางรําพึงมันก็พึงจะมาสงบเอาตอนหลวงปู่สดมานี่ยและตอนที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นผีนางรําพึงเนี่ยกำลังคันนองเลยท่านก็ทําพิธีสวดส่งวิญ ญ, ญาณสะกดอยู่คืนหนึ่ง จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นการปรากฏตัวของนางรำพึงอีกเลยท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมสูงมากท่านมีตาทิพย์และท่านยังดูดวงแม่นอีกนะหากท่านทำนายว่าไอ้คนนี้ต้องตายภายในเจวันหากมันไม่มาสะเดาะเคราะห์รับรองเจ็วันจะหองสาลาไดียเลยวันหนึ่งเต็มเต็มกับการพูดคุยกับชาววัดโพแต่งตย่ยังไม่จุใจทาให้ผมบอกกับตัวเองว่า